ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่อันพิสุทิ์เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังพ่อจงเจตให้บริบูรณ์พ่อจงเจตอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิ ช, ชาและมิมุตติให้บริบูรณ์ในมหาราหุโลวาทสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปันนาธพระพุทธเจ้ารับสั่งกับท่านพระราหุลว่า ดูกระลาหุนเมื่อเจริญอาณาปานสติแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แม้แต่ลมอัศ ส, สะปัดสาสะซึ่งมีในท้ายที่สุดก็ดับไปโดยรู้ม่ใช่ดับโดยไม่รู้